นเนี่ยเวลาเราจะกินน้ําเนี่ยนะเราก็นึกถึงน้ําบรรจุขวดนะถ้าไม่มีน้าําบรรจุขวดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงที่จริงน้าําบรรจุขวดนี่ก็เพิ่งมาเมื่อสิบยี่สิบปีมานี่เองนะสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีเมื่อไม่มีน้ำบรรจุขวดนี่เรากินอะไรนะเพื่อดับกระหายนะก็อาศัยน้ําประปา น, นี่แหละนะ สมัยตมาเป็นเด็กๆ ก, ก็ใช้น้ำประปานี่แหละต้มแต่เดี๋ยวนี้เรากลัวน้ำประปาไม่สะอาดอาจจะมีตะ ก, กั่วบ้างมีตะ ก, กันบ้างมีสารพิษบ้างนะหรือเชื้อโรคนะแต่ที่จิมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก่อนที่จะมีน้ำประปานะที่เรามาต้มดื่มกันสมัยก่อนนี่ เขากินอะไรกันเพื่อดับกระหาย น, ะน้ำน้าฝนนะคนในกรุงเทพสมัยก่อนนี่แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็มีโอง่งใหญ่ๆนะเก็บน้ำฝนกันนะเป็นสิบเลยแต่ถ้าไม่มีน้ำฝนจะทำอย่างไรนะบางคนจะนึกถึงน้ำบาดาลถ้าเป็นชาวอีสานก็อาจจะนึกถึงน้ำบ่อนะ เคยไปออกไข่ที่หมู่บ้านกันดานแถวสีชมพูขอนแก่นชาวบ้านนี่เขาขุดบ่อในนาแล้วเขาก็กินน้ําบ่อนี่แหละเรียกวาน้ำสร้างนะแต่ว่ามันไม่ขาวนะมันไม่ใส่มันข า, ขาวๆเหมือนกับเรากินนมหมดแก้วแล้วเราเติมน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะขุ่นๆแต่ชาวบ้านชอบนะ ตอนหลังเราก็ชอบเช่นกันนะเพราะว่ามันมีรสหวานนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่น้ําฝนไม่ใช่น้นําบ่อนี่คนสมัยก่อนนี่เขากินอะไรนะกินน้ําจากคลองนะกินน้ําจากคลองกินน้ําจากแม่น้ําไม่ใช่แค่คนธรรมดานะราชการที่ห้าเนี่ยน้ําที่ท่านเสวยมาเกือบตลอดชีวิตเนะี่ยเป็นน้ําจากแม่น้ำนะ แล้วก็ท่านก็จอดจงนะเป็นแม่น้ําเพชรบุรีต้องแม่น้ําเพชรบุรีอย่างเดียวเลยนะตอนหลังก็เรียกสั้นๆว่าเป็นน้ําเพชรน้าเพชรนะเวลาในหลวงราชการนี้ฮะพูดคำว่าน้าเพชรเนี่ยนะมันแปลว่าน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีแล้วโปรดมากเลยต้อบอกว่าน้ําจากเจ้าพยาก็ไม่อร่อยเคยพยายามที่จะไปฉันน้าจากแม่น้ําสายอื่นหรือแม้แต่น้ําป่าป่าก็ รสชาไม่ถูกใจนะเคยทดลองนะเอาน้ําเนี่ยใส่เนี่ยจากที่นั่นที่นี่มาน้ําป่าป่าบ้างนะน้ำแร่จากเมืองนอกมาบ้างแล้วก็เอามาวางให้พระองค์เสวยนะโดยที่ไม่บอกว่าเป็นน้ําอะไรนะปบอกว่าพระองค์ก็ยังชอบน้ําที่มาจากเพชรบุรีนะ ในหลวสมัยก่อนนี่ชั้นน้ําจากแม่น้ำนะสมัยก่อนนี่น้ําใสเนะดี๋ยเพราเพชรบุรีเนี่ยนะมันเป็นแม่น้ําที่ใสโดยวเพราะที่มันเหนือหมู่บ้านขึ้นไปตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ยนะก่อนน้าน้ําเพชรนี่แหละยกเว้นตอนไปเมืองนอกนะไปเสด็จประาพาสยุโรปนี่ไม่รู้จะขนน้ําเพชรไปยังไงนะ แต่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่ต้องน้ำเพชรอย่างเดียวเจ้าเมืองเพชรบุรีนี่ก็ต้องมีหน้าที่นะตักน้ำขนน้ำจากเพชรบุรีมาแต่ก่อนจะขนมาเข้ากรุงก็ต้องผ่านกระบวนการก่อนนะต้มก่อนต้มแล้วค่อยกรองไอ้กรองเนี่ยมันก็กรองได้แต่เฉพาะฝุน่นนะนะมันไม่สามารถจะกรองเอาพวกแบคทีเรียจุลชีพออกไปได้ แต่ว่าสมัยนั้นน้ํำคงสะอาดมากนะโดยเพราะบริเวณที่ผ่านกรวดทรายเนี่ยมันจะใสนก็เสวยเงียมาตลอดนะไม่ยอมเสวยน้ําอื่นเลยนะมีน้ําป่าปาก็ไม่เอานะจะเอาแต่น้ําจากแม่น้ํานี่แหละอันนี้ก็จะว่าคนไทยระดับล่างๆก็เหมือนกันนะน้ําเนี่ยถ้าไม่ใช้น้าฝนก็น้ำคลองน้ําแม่น้ำนะ สมัยนี้นึกไม่ถึงนะหรือว่าตกใจโหกินน้ําจากคลองกินน้ำจากแม่น้ํากินได้ยังไงเพราะเราเห็นภาพพร้อมหรือแม่น้ําสมัยนี้มันมันคุณมันสกรปกรกมลภาวะแต่สมัยก่อนนี่มันใสจนหนึ่งราชการที่หกนี่ก็ยังเสวยน้ําจากแม่น้ําเพชรนะบอกว่าขนาดไปเรียนเมืองนอกมานะไปอยู่อังกฤษมาหลายปีกลับมาก็อชอบน้ําเพชรนะอันนี้ตามพระราชนิยมมั้ง แต่ตอนหลังนี่ต้องเลิกนะเพราะอะไรรู้ไหมนะเพราะว่ามันเริ่มมีบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น้ำเยอะขึ้นนะทางราชาการทางพวกเจ้านายพรกขุนนางที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็เลยทูลให้ราชาการที่หกทราบว่าตอนนี้น้ำ ม, มันเริ่มไม่สะอาดแล้วมันเริ่มสกปรปกแล้วแต่เหตุผลอัน น, นที่น่าสำคัญนะก็คือว่าถ้า คนรู้นะว่าในหลวงเนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นการเสรื่อมเสียภเกติยศนะนี่เหตุผลนึงนะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วถ้าเกิดว่ารู้ไปถึงต่างชาติว่าในหลวงเนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำนี่นะมันจะเป็นการเสรื่อมเสียภเกติยศคือกลัวพูดงา่ายคือกลัวฝรั่งจะมองว่าป่าเถือนนั่นเองนะ กลัวฝรั่งจะมาป่าเถื่อนกินน้ําจากแม่น้ำนะจริงมันก็ไม่ได้เสื่อมเสียไปเกียติยศอะไรเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของโรศนิยมแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรแต่ฝรั่งเวลานั้นเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้น้ําจากแม่น้ําลงคลองนี่มันสะกะปรกนะก็เริ่มกินน้ําประปากันละทีจริงหลายอย่างนะที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ก็มันเป็นเรื่องของกลัว ว่าต่างชาติจะหาว่าไม่สิวิไลยกวอย่างเช่นการกินข้าวด้วยมือเนี่ยสมัยก่อนคนทยกินข้าวด้วยมือนะไม่ใช่ข้าวเหนียวเดียวนะข้าวจ้าก็ก็กินข้าวด้วยมือเขาเรียกเปิบข้าวนะเปิบข้าวอาตมานี่ก็ยังมาทันเลยนะคนชนบทเนี่ยนะเวลาไปชนบทเขก็เปิบข้าวกันไม่มีช้อนนะไปวัดสมัยก่อนเนี่ยนะต้องพกช้อนไปนะ เคยไปวัดแถวสมุทรสาครเนี่ยไม่ได้เราเป็นคนพระเมืองนะไปแล้วไม่มีช้อนไปด้วยมีปัญหานะต้องพกช้อนไปด้วยนะเพราะว่าเขายังเปรบข้าวด้วยมือคนไทยก็เปรบข้าวด้วยมือมานนานนะตอนหลังเรากลัวว่ามันจะไม่สีวิไลนะต่างชาติจะมาว่าป่าเถื่อนเราก็เลยหันมาใช้ช้อนซ่อม แต่ถ้าเราไปประเทศอื่นเนี่ยนะอย่างเช่นอินเดียนะหรือแม้แต่ศรีลังกาเนี่ยคนที่ชาวบ้านที่เขาใช้มือเนี่ยนะเปิบข้าวเนี่ยยังมีอยู่เยอะเลยนะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาด้วยนะเศรษฐีรัฐมนตรีข้าราชการกระทรวงใการระดับสูงเนี่ยก็ยังเปิบข้าวนะคนรวยๆเนี่ยเปิบข้าว แล้วเขาก็อร่อยมากเลยนะเมื่อสักสองสามปีก่อนมีฝรั่งนะรู้สึกจะเป็นโอปราบินฟีมั้งอันนี้ดังมากนะไปประเทศอินเดียแล้วก็ไปกินเลี้ยงในในบ้านของเศรษฐีชาวอินเดียตกใจนะเขาเปิบข้าวกันกลับไปถึงเมื่อกลับไปถึงอเมริกาก็เขียนข้อความใน f a c e b o o ทว w i เตอร์ทำนองว่า โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ายัางล้าหลังอย่างนี้นะเบอกก็ว่าโดนด่าเละเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับไปดูถูกเขานะเพราะว่านี้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก่อนจะเปิบข้าวก็ล้างมือซะก่อนนะเปิบข้าวเสร็จก็ล้างมืออีกนะแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้ไปไปอินเดียไปศรีลังกานี่ถ้าไม่มีช้อนซ่อมไปเดือดร้อนแล้วนะที่จริงการเปิบข้าวนี่มันมันไม่ได้ป่าเถื่อนอะไรเลย อร่อยซะอีกนะในเรื่องที่เรื่องการใช้ช้อนซ่อนจะว่าไปสมัยก่อนนี่แม้แต่ฝรั่งเองนี่เขาก็ไม่ได้ยกย่องนะตอนที่ตอนที่เมื่อสามร้อยปีก่อนเนี่ยตอนที่ราชินีฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนอิตาเลียนเนี่ยนะ ตระกูลメディชีนะตระกูลใหญ่มากในะอิตาลีมาฝรั่งเศสก็เอาช้อนซ้อมนะมาแนะนําให้ราชสำนักฝรั่งเศสกินอาหารด้วยช้อนซ้อมเขายังว่าเลยนะหาว่าการใช้ช้อนซ้อมนี่มันมันป่าเถื่อนนะเขากินด้วยมือกันนะราชสำนักฝรั่งเศสเนี่ยสามปีที่แล้วกินด้วยมือนะอย่างมากก็มีแค่มีดนะช้อนซ้อมไม่มีใช้มีดตัดเนื้อ ใครกินช้อนซ่อมนี่เขาว่าป่าเถื่อนแต่เดี๋ยวนี้นี่การกินอาหารด้วยช้อนซ่อมกลาเป็นของที่ถือว่าเป็นมาตรฐานไปแล้วเป็นความเจริญนะใครที่กินด้วยมือนี่เขาหาว่าป่าเถื่อนแทนอันนี้มันก็เป็นเรื่องยุคสมัยนะที่จริงหลายอย่างที่เราตามฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะราชสำนั ก, นกยุโรปเนี่ย ท, ทั่วประเทศเลยนะ สามสี่รอยปีที่แล้วนี่เขาไม่อาบน้ํากันนะอาบน้ําถือว่าถือว่าไม่ทันสมัยนะราชินีอลิซาเบตนี่ทั้งปีทั้งชาไม่อาบน้ําเลยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ก็เหมือนกันนะตัวเหม็นมากนะแล้วฝรั่งทํายังไงไม่อาบน้ําแล้วตัวเหม็นกินชุดทำไงก็ต้องใช้น้ําหอมเนี่ยน้ําหอมมันมาจากยุโรป ก, ก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่อาบน้ํากันนะก็ถือว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะ นะไม่น่าเชื่อนะกษัตริย์นี่ทั้งปีทั้งชาตินี่ตั้งแต่เกิดมาจนจนจะตายนี่ร่างกายแทบไม่ได้แตะน้ําเลยนะถ้าเป็นการอาบน้ํานะจะเขาใช้การเช็ดตัวแทนนะใช้การเช็ดตัวแต่ว่ามันก็ดับกลิ่นไม่ได้นะคราบใครก็มีทํายังไงอะ่ะก็น้ําหอมนั่นแหละไอ้ความเชื่อว่าการใช้อาบน้ํานี่มันมันเป็นสิ่งไม่ดีนี่มัน มันแพร่ไปถึงในโบสถ์เลยนะเพราะว่าถ้านักบวชที่เคร่งเครงนี่เขาไม่อาบน้ํากันอาบน้ําถือว่าผิดศีลหรืออะไรสักอย่างนะผิดวินัยเพราะว่าถ้าอาบน้ำมันต้องเปลืองเปลืองตัวเปลืองเสื้อผ้าฝรั่งนี่เขาเห็นว่าการเปลืองการถอดเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รอดแหลมต่อการกระตุ้นราคะแม้กระทั่งเสื้อผ้าตัวเองนะถอดเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยเหลือแต่ร่างกายเปลือยเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่นิยม ก็ใส่กันอย่างนั้นแหละแล้วก็เห็นว่าการอาบน้ำจะทำให้สุขภาพไม่ดีมีเชื้อโรคไข้าการละโรคที่มันระบาดในยุโรปเมื่อสามสี่รอปีก่อนเขาคิดว่ามันเกิดจากน้ำนี่แหละพออาบน้ำเสร็จเนี่ยฝุ่นที่มันอุดตามขุม ข, มขนก็จะหลุดไปเชื้อโรคมันจะเข้ามาทางคุมขนนะเพราะฉะนั้นต้องหาทางอุดคุ้มขนให้หมด <c oughs> ก็คือไม่ต้องอาบน้ำนะ อันนี้ก็เป็นสมัยนี้เราก็มอปากเถื่อนนะแต่สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นความเจริญนะไม่อาบน้านี่เป็นความเจริญเดี๋ยวนี้นี่นะฝลังนี่ก็รักสะอาดมากรักษ า, าดจนคนไทยก็ตามนะอะไรก็ไม่ได้ต้องมีกลัวมีเชื้อโรคติดอยู่ตามผิวหนังต้องมีน้ํายาล้างน้ํายาล้างมือน้ํายาล้างตัวน้ํายาล้างหน้ากลัวเชื้อโรคไปหมดเนะียโดยที่ไม่ได้คิดว่าไอ้เชื้อโรค ก, ก็มีประโยชน์นะ ไอ้เดี๋ยวนี้เราต้องมากินเชื้อโรคแล้วเนี่ยกินยากคู่เนี่ยเพราะมันมีมันมีแบคทีเรียอยู่นะที่เรากินยากคู่กันนมเปรี้ยวเพราะมันมีแบคทีเ ria ถ้าเอาแบคทีรียออกไปจากร่างกายหมดนี่เราอยู่ไม่ได้นะตายโรคบางโรคนี่ต้องเติมเชื้อเข้าไปทางถวาวรเพราะว่าลําไส้ไม่มีเชื้อโรคเหลือแล้วเล่นกินแต่น้ํายาล้างเชื้อหมดนะต้องเติมเชื้อโรคทางถวาวรก็อ้อสุขภาพดีขึ้นนะมีการบํำบัดแบบนี้ด้วยหมอสมัยใหม่นั่นไม่ใช่หมอ หมอผีนะที่ทำเยียวยาแบบนี้นี่นี้ฝรั่งก็เริ่มกลับมาหันมาหาความสกรปรกแลนะโรงเรียนต่างๆในอเมริกายุโรปแล้วโรงเรียนก็ชักชวนให้เด็กเนี่ยเล่นโคลนเล่นเล่นกับดินกับทรายให้มันสกรปรกซะบ้างนะเพราะว่าจะได้มีภูมิคุ้มกันเช่วยโลกคนไทยก็เริ่มทำตามแล้วนะนี่เราก็ตามฝรั่งมาหลายๆเรื่องแล้วกลับไปกลับมา อันนี้ก็เป็นขั้ันนิยมนะที่มันสะท้อนเรื่องความเป็นอันดิจังนะไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เวียงไปทางนั่นทีเดี๋ยวก็เวียงไปทางนี้ทีแต่เพราะนั้นเนี่ยประเพณีมันก็เป็นเรื่องที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เหมือนกับมันก็แฟชั่น fashion, มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอ่แล้วก็เตรียมรับพร